ความเฉื่อมความเจริญไม่อยู่กับพระน้อยพระมากอยู่กับหัวใจแต่ละท่านแต่ละคนถ้าเราถ้าปฏิบัติเพื่อบรรลุในวัฏองสารปัญหาก็ไม่มากถ้าปฏิบัติเพื่อลาบเลิศและเสริญอะไรต่ออะไรมันปัญหามันก็มากทําไมถึงปัญหาไม่มากเพราะเห็นไผในวัฏองสารอย่างเต็มที่ เห็นอนิจจังคณะคิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโกจนเป็นตัก่อนทุกเรื่องไม่ไ่วใจในว่าัฏสงสารเห็นโลกเห็นวัฏสงสารเคลื่อนไปเรื่อยเกิดเคลื่อ น, นแปรปรวนแกบสลายเต็มไปด้วยตายรักหรือปัญหามันก็มามากเห็นควอมอารมณั่นใจเขาออ ก, กปัญหาไม่มากถ้ามาอย่างนั้นก็ปัญหามาก เมื่อมีความเกินในวัฏสงสารอยู่ตามได้ปัญหาความมาเมื่อเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่นั่นก็คือตัวเสีย น, นั่นก็คือตัวสมาธินั่นก็คือตัวปัญญาตรงเกินกันอยู่ชวนจะเบื่อจะหน่จะคลายจะหลุดจะพ้นหรือไม่นั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัญญาแต่ละคนหรือบาลเมฆแก่ตามาแล้วทําคําสอนแก่พระระบาท มันส่งต่อพระนิพพานหมดนโมนโมก็ส่งต่อพระนิพพานได้นโมแปลว่านอน้อมๆนโมของพระโสดาวันนอ้อมๆจนไม่หลงทางไม่ใช่ได้อยากรู้เรื่องชิ้นหา้าไม่ใช่ได้อยากจะถือสาตราอีกไม่ใช่ได้อยากจะถือโยโมคงกระพัน ไม่ใช่ได้อยากจะถือเวทมนตร์คนนากข่าวก็อันเดียวกันไม่ใช่ได้อยากจะจองเวทท่านผู้ใดไม่ใช่ไ ด, ด้อย่างร่วงละเมิดอาบายมุขนโมพระโสดาบันนโมแปลว่าน้อมๆไม่มมใช่ได้อยากจะค่าขายสาับานาค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เลยเ น, นี้ยสัตว์เลี้ก็ค่าพวกเป็นอาหารค่าขายนโมค่าขายยาพิษการค่าขายห้ายอย่างนี้พระโสดาวันไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดเลยสิงไดไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิด นนั้นมันก็ไม่หนักไใจเหมือนเมื่อเสดาย่ากลวงลงไปลุยหลวงหลุมฐานเพลิงมันก็ไม่หนักใจเพราะยังไงจะเป็นอย่างนไงเพราะเห็นดิ่งลงไปแล้วว่ามันเป็นทางชีพหมายฟังไม่ออกเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าสักกายะคิดจิตไม่ชื่อตนชือตัวต่อคําสอนพระพุทธศาสนาวิจิตรฉาก็ไม่ลังเลยในคําสอนพระพุทธศาสนาสิรพัตตะระมาตร ก็ไม่รูปคำอะไรคําสอนของพุทธศาสนานโมพำสอนาะไงนโมพระสัจจมีละเอียดไปก่อนนะนโมพระอาราคามีละเอียดไปก่อนนะนโมพระอรหันต์น้อมๆจนไม่มาเกิดเก่เก็บตายไม่โรคไม่โกรธไม่หลงเลยเรียนนโมจบแล้วพระอรหันต์ใช่ไหมอันอื่นก็เหมือนกันส่วนนโมโรกีนนโมเลขนโมผานโมวัดนโมเบอร์อันนั้นไม่นับเข้าถูกไหมเท่านี้พอๆแล้วใช่ไหม แล้นพ อ, พอแล้วกิกนแล้วหรือยังยังครับผักผักช่วงนี้<ม>จะได้ครับวั น, นี่<ม> ก, น ก, นกินกัิเสียีก่อนนับเป็นกาลานใช่ไหมไม่จริงครับผมะไม่จริงครับผมเออทาไมทาไมถึงกิเสียดีไปถึงจะให้ใครถึง <laughs> นับจานวนแสนอย่างนั้นหรไแสนอไแต่ว่าการก่อสร้างข่านสร้างไวแล้วใช่ไหมทังวัดนใต้ผมล้านปลาคระวัดนั่นแหะพามวัดเีเนี่ยผมจอ้านปลผมนยวา่าครุ่งนี้ที่จะถอดคุณจะได้แสนอะไรเป็นวัดที่หลวงพ่อมารสร้างวันที่อยเออยู่วัดนี้ใช่ไหมผ ม, อ, ม ừ, อยู<ม>่ที่ เขาะกินผมมมาเพิ่มกันทันรถมากี่คันมาอยู่ไม่ต่ำกเจ็ดเจ็ดันอ่าเจ็ดคันมา่มาันเ็คันรถทัวรถัวมัจะตามมาม่ม่คร จ, จะมากันสิคันรถสิคันนั่งมากี่ล้านสิบสองล้านใช่ไหมรถสสองล้านรถเสพสี ิดก็เป็นเศษผีก็สวายเับผมเรถเศษผีเราเป็นคนรถทุกกระตักวาชนะพรมุเหมือนกันเนอะสร้างมาเหมือนกันที่นี่ ท่านองอายุเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าบงยงมันรอจ้างเขาหกสิบเก้าหสเก้ากับกับองศ์ใครใครใครอายุสูงองศีองศ์จกจกคุณศีนี่คุณศีแก่กว่าแก่กว่านะเออกรัึกษาับพวกนี้น้อยกว่าเราบ้างการจอมสายก็สงมชายก็น่ยกว่าเราบ้าง เคยจะเคยเจอกันหรือว mm ่ายะฟังก yup, eh? like ่อยงัใครอยู่ยังหัวยงหเออยังชกชายไปไปไปไปปลอกควงเอาอที่นี่วันเนินเขาแก้วใครใครอยู then, ่เขาโอนนะ เขอโอนอเอามุเอาอย่างจันสว่านกผมเอาหมูจัสว่านที่นี่ใง่งาไง่งามันจะต้ังคมจะต้องคมก่อนที่จะถึงวัตัุของกุพเกุ้งขครอยูอ่อาจารย์มหาขึ้มนกักนักเรียนใช่ไหมที่นี่ขุงุง ก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยโงชีร่ายก็มปทราบเริว้วท่าทะบ ก, ก, ก็เปทราบรู้จักเดไม่เค น, นคุ้นผมนก็กรู้ป่อยอยู่เป็นกาบบ่อย ท, าทอ่าแถบนี่ยแต่องค์ใหม่นี่ก็ไปจากวัดจันทร์วัจันส่งไปแต่เป็นหงพ่อเหมืนนอนกัน เอาหมูเอายานงน็ไม่ชบเอาหมูนี่อาจา ร, รย์สว<อ>่างเออปไปเอายางเอ า, อเายานี้ปไปเขเาคเอสามเดือน้อสองอันสิบงกับสามแล้วกรลงุเทศสะรังสีพอถวัตพระเลงปู ม, มานก็ลงไปถวระเพลลงปู ม, ม่านสองพันสิบสองกัสามตอนเดือนเมษา ย, ยนกบ ถ, ถ, ถึงนัน นอยเท่าไหร่ก็ไดเจ็บได้เจ็บสิ่งเจ็บของก็ไปแล้วก็ต้องกูเทิดโอ๊ะ <c oughs> สามปีผมก็กลับขึ้นมาไปไปพักอยู่ที่สามเดือนตล้วพักอยู่ท่าเฉลด่ตั้งก๊บไปเช่นั่นสามเดือนเดือ น, นลงไปพู้ก็ตางหาทีีง เจรพงมากับน้องปุ่ทีสองพันสี่ร้อยเก้าชั้หกก็ขึ้นมาเก้าสามเก็าหกขึ้นมาลงไปอยู่ทางอันสามปีแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาเข้ามาอยู่กับท้ารในการมหาบัวซ้ำอีกไม่สมัยอยู่กับล็อกปู่มั่านก็มีท้ารในการมหาบัวอยู่พวบด้วย 9.89 9.10 9.11 9.12 ใช้ไว้ปรพฤติมีรถผูมหาอยู่พวบด้วยขึ้นมา่ก็มาอยู่กับรถผูมหาอยู่คำเชอีก3า0 0ศา 3,000 ารถผูมหาตัเลยลงไปจันทบุรีปีหนึ่ง ไปบวมารดาบวชมารดาที่อุดรก็ลงไปจามบุรีลงไปจาบุรีปรอตั้งอยู่ที่ปริวร้วษีหนึง่งขึ้นมาตั้งขึ้นมาตั้งมัตตาอุดรทันจนถึงทุกวนันนี้ผมก็มาอยู่นี่แต่สองพันหร้อยบางต้นผนอยู่ภูเก้าตาปาขาวสองพพันห้าร้อยบางปลาย เ อ, อาภาษาเนีผมมาอยู่นี่มีสามเณรพวกนั่นมีพระสององค์มาอยู่นี่ตั้งกระต๊อบไวท้ที่นี่ฝากต้นมะม่วงไปนี่มุงด้วยมุงด้วยฟางกันด้วยฟางพอหลวมนี่หละพอหลวมพัดมาขอบไปตรงเตีตงตรงเตงตรงเตียงเสืออยู่นี่นตั้งหลายๆเนี่ย ละครละครเป็นป่าทึกกว่านี้เนอะต้วน้อใหญ่ๆตัวโตขนาดนี้ น, นึกว่าเขาไปกินมะแร็งเลยตัขึ้นมาอยีรมารสามสองพันห้าร้อยนาอยปะา่ประมาณ้าร้ยสามก็พักสี่รอยเข้าทุกสามลงไปนั่นลงไปไปพักจันบุรีลงไปพักจันบุรีประมาณสีร้อยสามา จันบุรีสามเดือนออกจากจันทบุรีครับข้ามทะเลข้ามทะเลไปผู้เกตกำลังผู้เทิดกั บ, บเบข้ากรุงเทพเช่าเกาะกับเข้ากรุงเทพก็คืไปตามทางภาใต้ไม่ใช่ข้ามทะเลจันทบุรีทะเลจันทบุรีมันใช่เขาง่ายนะก็ <c oughs> มันเขาใหญ่โตขเขาถามเนี่ ทาสัต์เวียนท่นวนจากไปตรงนี้จะเป็นไงชุมพรจุมพรสมัยนั้นท่านเสวียนยังมีอยู่ผอยไปอยู่ที่วงไชวัดเกดีซายังยังไม่มีเที่ยวดอกไม้ความว่าร้มหมูมหาลงไปสมัยนั้นยังยังไม่มีมีตั้งแก่ววัดหงกับวัดองชี้ไร้เท่านั้น อำเภอขุผมน้ำร้อนไม่ได้ไป <Okay. S 1> ที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตามนี่นะลงไปจันทบุรีเป็นประเทศที่รวยเน้อเป็นรังหวัดที่รวยเน้อแต่ก่อนไม่มีตัวนผู้ไร้เน้อเออเดี๋ยวนี้เขาไปหัดกันมาแล้วเยอะเขาไปหัดกันมาแล้วเี้ยแต่ก่อนไม่มีต้มีตัวผู้ร้สบายเหลือเกินแต่ก่อนคนซัดซื้ออีกซ่ดวยจันทบุรี ว่รือว่าอะไลูกปูหายดีๆลูกปูไปไปค้างอยู่ทงมาสักเดือนไม่ไหวหรอกผมจะไม่ไหวเนี่ใส่ชือกัดห้องงูไว้เใส่ชกปหงงูนี่ลจะไม่ไหวแล้วเชือะกอนก็ทำได้เชือกตะกอนก็ทำได้ลูกปูไปไม่ไวแล้วผมผ่านมาเนี่ผมจะมากราบลูกปูอีกพราะเศรษฐีนั่นการชายเป็นพระเศรษฐีเพระ ชี่ทุกเอาเป็นวาขี่ทุกใช่ลายท่านจะปัจิบัติเป็นพระพุทธภูมิใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไม่หรอกท่านเอาพ้นทุกนะปัจจุบันในาตใช่ไหมท่าจานสมสมชาย ได้ได้ทราบไหมได้ทราบการพูดไหมไม่ได้ทราบท่านต้องการคุกณปัจจุบันไ้าบหรือท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไรว่าท่านยุรสิทธิ์ก่อนแลผมยังขอยดูผู้ที่เคยร่วมบารมีกันมาที่เคยสราพาสร้างมามีมาจังรู้อีกว่าผมยังม่ตัดสินใจอะไรมากยังพาจัาผมก็ยังไม่รู้ท่านจะเปลี่ยนหรือเปลี่ยนยังไม่ยัง่แนครับแต่ก่อนท่านท่านว่ายังไงแต่ก่อน มันยังมันยังเดียจะพาสร้างมันมีอย่างนั้นถ้ า, นาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นขั้นก็ฝาดธนาพระพุทธเจ้าสิแล้วก็จ้ฝาดธนาพระพุทธเจ้าเราห่อยพนไปในปัจจุบันในข้าจะเป็ยพอาภูมสาวกองศีลูกปุชศศรีเคยหยอกกันกับเราถามน้ำเดีวยวกัน จะอยู่กับลงงปูมันเหรเราเดึงไปสีสีสีจะเดินเล่นอยู่ทำไมโอ้ยมันหนักไปสิเราไม่เรี่ยงไม่เป็นปัญหาหรอกเราก็เดินอย่าเดินเดียวแล้วคำชากระชากมาสำชาอะไรอะเออคนชี่โมโหไค น, ะนชีมโมโหล้มปูสีเอ้ยไปไปชุกไปชุบนะ พ่อโทรทำโมสังโขเนาะนักหนังทาไมไม่ดื่มฉันเลเ่งยๆเลยนนักสือเอาหนังสือไปอ่านไว้นักสือไปอ่านเล่นเอาเอาเอาม้นังสือเอาม้นังสือเอาซื้อไปอ่านเล่นคว่าจะถวายอะไรถวายนะนักสือไปอ่านเล่นบางทีง่วงนอนก็อ่านเล่นแต่คิดว่ากอดมันหมดแล้ว คิาประวัตมันหมดแล้วคนจันทบุรีแต่ก่อนเขาหาอยู่กับสวนเขาอยู่กับสวนเขาเ ย, เยเอะเนาะเขาม่ใช่เสือนี่เไม่ใช่เสือมันมันมันมันเช็ดหลามมันอดน้ําแล้วให้เขาทำให้มันมากๆไว้แต่ข้าก่อนมันไม่ได้สร้างน้ามันอดน้ําน้าในต่อมาแต่ภูเขาสีโครนเนอะภูพิว่าไม่มีน้าเนอะ พู้พีบ้าผู้ไม่เป็นพ่บ้าเราเราเป็นพีบ้ามาอยู่กับมันตัวไม่เป็นบ้าโอ้เ่อไปเลื่ไปเลื่ไปเลไปเลื่ไปได้แลี้ยเราบอนกระสินน่ะเพิ่นหายจักบาท จำไปก็ได้อือืมอืมอืมอืมอืมก็ใจ่กใใใใใใใ่พระัน่งจากองค์อ๋อย่างงาแปดองค์นนีพด้จวนไปบินเ่าบาได้ ไป้านไหนรนนนยุคเขาเลาดขวดไมีพาผวยหันจะป๋องามนี่จะผู้เฒ่ายะกันเนาะอ้ยสีบวัดได้กับ่ะไรพคนหน่อยคนนองาดฮะเออ อ้ยนามุขอ um, si ิสตัวนามนามุอิสติ๋นามุขอิสนามุขติ๋วองศีองสมทัยรอยอิสองศีลาแล้วก็รวมผู้บัวสามองศี ข้างปฏิบัติทนันกพนเกเรียน้างอดร่กับี่ข้างอุบลหลวงปู่หมันหลวงปูข่ขหลวงปู่อุบาลีละนะจ๊ะหลวงปูขงป่ขาวหลวงปู่ขาว คนในารข้ามนารข้ามเขมวงสามสิบก็ไม่ร้ายกับบ้ขนักะเรียนกร้ายเข็มพระปฏิบัติกับร้ายเข็มขบวนพรเขาก็พระเจ้าบุรมุรานน้อยเอก็ก็ายน้อยเอ็ก็ห่สองายสององค์สี ห, งงหึองค์รับภูบัสองสมทัยสามสีสีทันชีลาทันชีลาบัตคุมเงินอำเภอเพระนมไ พ, พ่ตูไปเส้นร่มปานยุกแต่วันานครพระนุ่มนี่ทำพระจะรับปีดาว ผู้ค้านี่ยเราไปเฝ้าซบอ่ะม่นมองซบเห็ผู้ค้ามอนมองซบเห็ผู้ค้าผู้ค้าก็เลยภ า, า, าพบุกก็เอาไว้ดูดนะครับเอาไว้เพื่ให้กขามมอบมอบไปให้ผู้ค้าเป่นว่าจังไรใครเนี่ยตามเพิ่นนะผู้ค้าก็เลยซื้อซื้อมาหมือะไรผ้าเผาที่อยากว่าจะเผาจะสามหมืท่านจะคุณมากคัดของคุณมาคัดของตงกกะเถียมเลจะคุนตรง เสียงกะูโตกได้สู ไ, สไหรสอูก็ไล้บากเพล่บุญยู่มากซบแตกซบแตกก็เห็นขับวัดเยอะเลยสูเข้ามาได้ลแล้วนัน่นแหละบาบกแพ่บุญวท่านม่นนม่อนเข้าอีกที่หลังเนี่ยเข้าใกล้ไปจะพุ่นเหรอจะพุ่นไหมพุ่นน้อยๆเทียงอรอพุจ่จะพุ่นนั่นเพราเป็นคนพนักเดียนนี่ บัดหน้าเนี้ยหาามสีดตายมากครับมันฝวกผมมาทั้งเวลากระโถนให้พวกลวกชิดกรรมฐ า, านเวลากระโถนนหยมาทั้พกรรมฐานพราพระนักเรียนหรือบัดท่านตายเรีย้ยพันมกขวงมาจะกมันทัมันโมเนแนววะั้น่าว่าสฉวนจะคุยไงพร้อมห้อง อ, อยู่คุณ จะคุ้นหน่อยผูเป็นเขาเป็ดจะคุ่นอย่างี่แหละแล้วตื่นนวดเันพ่อเพียวไเที่ยวมาสู่ตัวว่าอะไรที่อย่างนี่าบ่แพื่บุญศพแตกศพแตกศพปูยูเหม็นขาวบนด้วยสัญญาหันเผาสัญ้าหันสีดาบปูยูเด้เขาสีมารับมรอยเขาสีปอยูสิดาสีบุตรอะไรติจากรงั้นแหทุกคน ถ้ามัน้าเ่าเนี่ยเอาไว้โดนนะครับพอดีได้มันรัหมานเขาบอว่าจะเอาเพิ่ไว้โดนหอกเลียงกันเห็นว่ากระดูกเขาเพิ่มราคาสูงแล้วถ้ากัดเอาไว้้ายกินขนมองเงี้ยผอนกเลู้าพเจ้าเขาเมือจะเอาไว้โดนนะเพื่นว่าเจ้าเช็ดมือถ้านนาว่าทามหาคเอมนพระมหาคตปาดอกเ่าเข้าสถาบันมหาคเมนอกเพ่นว่า หลวงป่มาเป็นก็เคยย่อมออกรบไว้ห น, าน้ออาในเดเราหลวงปู่บางเรื่องที่เดื่ยแต่ผู้อือน่นบวชไหวเนี่เป็นว่า <c> ใ <ười> มาย่มไดกัท่านยมานะ่มน่อเป็นว่าเฮ้ยอไรงย่าว่าตายมากเราหอนั่งคงมกูว่าสังขของมั น, งแมนแล้วกัท่านว่าสัขนว่นาไอ้ี่นี่ฆ่าว่าตายมากแล้วตายอยู่สักก้าวกท่านอยู่ตัวแวัเป็นว่าเหตพระเจ้าพิมพิสารอะไ้กระดูกใส มากเรจะขังารเจ้าพุทธาบมดคนทำบุญหาก็ยังได้บุญเลยคนบอกบริษัทได้ลองฟังเดี๋ยพดพ้อภาเขาต้องือมาให้พาทรงยุทธ์ท่านใช่ไหมภาภาภาาต้องซื้อใหม่ภายุทธ์ท่านใช่ไหมอกขอผมเป็นเง้ยอยู่วเนหนึ่งตัวไ กเห็นทำเสร็จตอนเช็มันดีด้วนะช่วงบ้างมันสุดตัวซื้อวางไรตัืองาเรียบๆเลยเนี้ย่าผมโกงเรียกสีลงเน้นเน้นๆเลยครับเพว่าก่อนที่ซองเนี่เข้ากูมันเจ็ดดูมัไปทำานไปฮะกูดูว่าต้องเกิดอะไรอยู่อ๋อทเ่กดูว่างเพื่อแพรหน้าเนี่ยนนก็ูสวเอ๋อวั มันองันังม่ใครสองเทาเนเอ้ขาขดาี่นี่ที่นั่งดีต้องฟูมันเาวยดักขึ้นไปก็จะไปซีบขงฟูไปเดวมันหอเพื่อนในว่านเท้าูบันเกออกไปบันฟูเลยเงนฟูก็ที่แรกตัวเพิ่นตัวเพิ่นว่าจะไปบันม่วงไครเขาเนี่ยบันม่วงใครยังไหนพระขาดพระขาดบันม่วงไครอย่างไรเอาไปหอนกรทั่ง สองแผงมันตรงหน้าเขาฮะนั่นเป็นพึกษากันี่ยมันมุงใครบ่าไปดาวเพื่อนอไปหรอกเพราะพระบ่มีอยุซี่ห้าปีเนร้านี่ปีเนีมันหกออาไปให้ยุ่งกัดบอกสิ่งไแล้ไปบ้านหลองปู่เสนออายุหันสิบเค็ดขึ้นกายเรื่องเนียว่าเกิดไปแล้วมันเกิดน้ำไปเลยผู้เป็นนผู้ขัดท่านโกโกลงท่านโคกโกลงก็ย่างได้ก็ไม่ให้กัดไหมกัดน้เก่าไปด่าขังไปกับมากโลรื ล้มห้างเมื่อจะยุติผู้กลรมมนต้องไปอไรยัอง่านอจะเลนตายเลยก็ได้พวกนมากรรมพวกว่านถุงบอลมาดีรุ่งไปแต่ว่า้องว่าจะเสียอารมเพื่อให้มันสูงอชื่อนี่เลดัไปไปก็ไดไปข้าวว่าไื่บานวเพิ่งเัดห่ก็อประมาณปลายี่มงผมผก็เลขับบอลต่นตื่นเ่าจะไปอ้านี่ห้องกบ กูเ่งเนี่เสียเนี่ยเดียกินเนี่ย่องน่ใหแล้วไดีเสียยไปเนีีมองส่งเฉามันูมันไปมดีปูเป็นวหน่อยอาจารย์ทิ้ง้องจำพัดษาอาจารย์ทิ้งข้อจำพัษาบบโผบางนาดีนะโผบางนาอืบปรัดเพ่งไม่ได้มากรอกเน้นเพ่งนเพ่งเออเน้นเพ่งไปจำพัดษาบ้านดีน่ะ แต่ชาธิบดีเพิ่นะมขนะึ้นกันนะวันทีฐานน่ะปีนั้น่าได้มากหรอบอสศิลปะแล้วไหมไมบวชด้ั้งแปีนั้นหรอออกาแ้บวชงนชายนพรทุกวรบออันเพ่งนี่เพ่งันบัณฑตื่นตัวครับเพงานนี่หะเื่งวันทีานเนี่ยบอเฮาเนี่ยเป็นผู้ไปนั่งหัฐบาลจุกุณธาเจดีบวชน้องโดกขนาด กับเพื่ อ, อนอาจารย์อ้อนกับอาจารย์อ้อนเป็นผู้สวดก็ไปจัดสเท่าไเป็นผู้เปนักัสบาจําได้ลวงปู่มันบอกท้าลาไปก็แคเพื่อนครับเดี๋ยวนี้ไม่ทเพ่เดี๋ยวนี้ ร, รักเพืเพื่อนะโรคใแ่กันกว่าซิ่วปรลักประลั ป, ปรลั วัวเดินพัโล่ใช่น้ใช่หระเดกัเว่าเดินฮูดดี่สชุ่คฟ้อกับุคงน่เออจะฝังฝังเน่าลุงลุงปู่กูเป็นหัวหน้ายุคฝังเน่าคนจันทร์ยุคช่องยู่ฝังเนาคนจันร์เนจะยุคฝังเน่าใไหมเนาะ แต่นังสือหรือในงานเขามว่าเมื่อบอกไปจากตเลยเนี่ยนี่เองนี่ยจะรู้ยู่ปากข้างคนนี้หาผ้าคนนี้เองเนผูกหรืถาม้ยกเนี้ยมก็เท่กันไปเลยไปเินอนบ้านอดบ้านันแหล่และงหอดข้างบ้านองใครก็มาผูกคนดี้แยกข้าง่าถึงมองใครจริงอไปแบบมันก็มาผูกฮักผ้าบ้าเก่าก็โย่ ข้าหาออมาาข้าวน้ำออกมาหนึห่งเต้บ้านน้องขือเหมืนจ้นชุดทางข้าเนยข้าวหนึงท่านื้อหาผู้หนึงหน่งผูสมัชชาอยู่ฮั่นนะครับ้นิจจ า, านผู้หนึง่งอาจารย์ต้อข้าวกับผู้นาจจามหาบวัวนั่งอยู่ทั้งหลังสกอนทั้งงหลังสะก้อนเพราะจีบวัานการจน์จยังพันแล้วดิในสามสะพอด้านผู้สามชีขึ้นลูกเพื่อผูมาา้มหากับผนิจจามหากับอาจารย์ต้องามกับเลยกับมา แกันยั ง, งลูกตาญูคเดียวอาจาสวดก็มาเ ร, รีรน า, านจาสวดประจภาษาเราียนจำได้ปะยังเขียนในประวัติเรียบประวัติหมด เ, เรียนใช่ป๊บอาจารย์วิอาจารย์วย์ภาษาญี่ปุ่นไ่้งกเลภาษาญีุ่่นจันทรีเพี่นเป่นของมาพอเอมาพอจาณคนหนึงมาพอ นองตามขัดห้ามจนหอดแค่บอล น, น้องพื้จนหอดกุดกล่อมูเนาะเหมือ น, <ไ>นองหันซิบเอ็ดขึ้นนอนกุดกอมิบเอ็ดขึ้นทั้งะกนลน่และมามาสู้พันไปน้มผีโตปลาเฮวน้ผีโกปลาเฮวเคยม่ไรพันมาก็เลยไปมาตะกลบนีะกดขึ้นั่นก็เลยซินลูปาเนขึ้นนั่นลูวปาซิบเอ็ดขึ้นกุดก่อม ออกากนไปนไปสักคนก็ตื่นเศร้ามากคอนที่แกมาต้องปูข้าไปจ่อยรอๆกนขึ้นเบิกขึ้นทั้งหลังนะเพราะฝันฝันนะที่ชื่อได้อยู่แล้วพันชี่ร้อยก่อสิบสองเลยเก้สิบสองอสชงอ 12. ก็ิบห้ก็ห้าห้้เกเหมดแก็ร้อี่มันก็ี่บปเปนกินหน้าสัก อานังือหายวันแล้วบไลยอ่านหนัือออินนาินนา่ะออกงันหน่อยเนห่อนยนอยเออมัน่อ โรกมันดึงดูดโรกของทุกมันดึงดูดมาแลนดปน้ำกองทุกจ์เนกองทุกมันดึงดูดโลกมันดึงดูดทั้งทํดึงาไว้ถ้ำดึงมาไวโลามันจะเลือโรกมันจะเลืท่ทังทังกิเลส ล้ว่าเจะเริ่องทางธรรม